บทว่าสติค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพซึ่งกําลังฟัง FM 106 อยู่นะคะในกันนี้รายการสรรเสมี 27 ตุลาคม เป็นผู้ที่มาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะทบทวนอีกครั้งนึง คำๆแล้วเป็นถ้าถ้าเราพูดถึงภาษาบาลีเนี่ยคือจะจะใช้ในลักษณะว่าเปิดเครื่องรับของเรานั่น มันจะได้มีเปิดแล้วมารับธรรมมาได้อย่างงี้ค่ะ แล้วท่านก็เลยค่อยๆเฉลยว่าถ้ามีคือตาหูจมูกอะไรซึ่งแปลว่าไม่ว่ามีผัสสะได้ใช่คนที่ตาบอดก็มันจําเป็นมีผัสสะที่ตาหรือมันมี เอ่ออย่างเช่นว่าถ้าสมมุติคนไม่ได้ตามบอดแต่กําเนิดเนี่ยนะค่ะเอ่อสมมุติว่าเค้าตาบอดไปแล้วแล้วถ้าเราพูดถึงให้ เจนนรคิดถึงแม่เราไม่ได้ๆนั่นน่ะคือคือลักษณะภาพที่ปรากฏนะรับตาก็เห็นค่ะฝันฝันตาเราก็ปิดหูเราก็ปิดฝันตาๆแต่จริงๆ นะมันอยู่ที่ภายในหมดเลยไงทีนี้อย่างกรณีที่คนเนี่ยเค้าก็อาจจะปั้นเป็นรูปขึ้นมาภาพสมมุติสมมุติมาเรา <c oughs> ไม่มีตาไม่มีหูที่จะไปสัมผัสได้ก็ยังมีอายตนะอื่นที่มันต้องเกิดผัสสะแน่ค่ะอย่างที่ว่าและเมื่อ รู้เท่าทันใช่มั้ยคะใช่เมื่อเวลามีผัสสะนั้นอืมมันรุนแรงขึ้นมากอืม อันดับแรกนะในกรณีที่เรา 30 40 กก. ไม่ 10 กก. 20 กก. ก่อนเหมือนกันถ้า มีปัญหาบ้างอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นประเด็นในกรณีที่คุณโยมติวๆๆก็เหมือนกับเราถ้าร่างกายของเราไม่พร้อมเราเช่นเดียวกันถ้าเกิด และมันเราสิ่งต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนนั้นเตรียมๆเนี่ยได้เช่นเดียวกันๆน้อยๆไม่มีปัญหาเจอภาษาๆก็ไม่มีปัญหานะจิตจะมี 1 ใน <นะ. S 2> 5 หรือ ถ้าไม่ได้ฝึกกันก่อนมันก็มีโอกาสที่จะมี เวลาใช้งานจริงเวลาใช้งานจริงๆแค่ 3% นะฝึกเว 70% นะทําเอ่อฝึก 97% ในอีกนะ 3% เนี่ยค่ะท่านคะเอ่อในใช่จิต เออเพราะดิฉันเคยได้ยินครูบาอาจารย์ในยุค เอ่อคุณญมที่อยากทราบหมายว่าทําไมมันถึงลดลงไปได้เอ๊ะเราฝึกเช่นเพลินไปชอบไปสิ่ง ปล่อยให้รอยแตกเนี่ยมันใหญ่มีรอยแตกนิดนึงเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่พอมันเริ่มใหญ่ขึ้นปุ๊บคุณจะเริ่มปิดค่ะอันนี้ กรณีที่เรายกตัวอย่างเนี่ยนะคะมันก็ค่ะก็คือบอกว่า เห็นภัยในโทษๆอย่างเงี้ยโอ้ยตอนนี้ยังเช้าอยู่นี้ยังเช้าอยู่เดี๋ยว 10 นาทีเอาแค่เนี้ยค่ะคุณเห็นภัยหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยมันค่ะ แต่ครอบคลุมไปหมดเลยแหละค่ะมันก็จะไหลไปได้เรื่อยๆเพราะว่าตามเนี่ยมันจะเกี่ยวเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อย อ่าแล้วถ้าสมมุติเปิดวิทยุขณะขับรถขณะอ่าหุงหาอาหารมันมีเรื่องที่เป็นผลจากผัดสะทําให้มันอืมแต่ว่าก็บอกตัวเอง นะไปทําอย่างอื่นหน้าที่ให้ใจของเราออกจากห้วงความหรือว่าเราระลึกถึงบุรุษหรือ 3 การแผ่เมตตาช่วยได้ 4 การสวด บทเมื่อกี้ได้ได้ค่ะนะคะและก็ดูเหมือนกับว่าเราก็ใช้เวลา ใครสนใจที่อยากจะไปตุลาคมนะคะแจ้งให้ทราบไปก่อนรายละเอียดอื่นๆท่านไปบุญบอก